ตัศภควโตอะระหโตสมมาสมปุทธนะโมตัศภควโตอะระหโตสมมาสมุทธานะโมตัศภควโตอะระหโตสมมาสมปุทธา พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสแห่งการฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาสงบ จ, จิตใจ ทำใจของตนให้แจ้งใสบริสุทธิ์ไม่ให้เจ็บเอาอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงอดีตอนาคตเข้ามาให้กำหนดดูว่าร่างกายสังขารของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มนความเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขหดแล้วก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปโลกเขาให้ชื่อว่าคนแก่คนชราเมื่อแก่เต็มที่แก่มากก็มักจะ ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าโลกชราโลกแก่มันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาสังขารคือรูปภันฑ์ปั้นขึ้นมาด้วยถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมสแสดงให้เราทุกคนเห็น ว่ายาได้มาลุ่มหลงหมัวเมาอยู่แค่รูปปันหนังหุ้มกระดูกนี้จงดูอั ธ, ธิกังกระดูกสามอยท่อนของตัวเองจองดูเนื้อหนังมังสังที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมไปดูรคภัยไข่เจ็ด คอยเบียดเบียนชีวิตแต่ละบุคคลอยู่ชีวิตของคนเราแต่ละบุคคล น, นี้ได้มาโดยลาบากเมื่อไม่ภาวนาดูไม่พินิษิจารณาก็เข้าใจว่าเป็นของได้มาง่ายรูปปัะขันร่างกายของคนเราทุกคน ได้มาโดยลำบากก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นคนต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในคันมารดาในท้องแม่ในท้องแม่ที่คนเราทุกคนได้เลื่อหนังมังสังมานี้ เป็นความลาบากเรานั่งสมาธิภาวนาชั่วระยะหนึ่งก็ว่ามีความทุกขเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าเรามาคิดดูในเวลามาเกิดในท้องแม่นั้นแล้วว่ามีความทุกข์มาก นั่งกอดเขา่าหินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแน่เหมือนว่านอนหลบฝนเหมือนลิงหลบฝนอย่างนั้นแหละกระเพาะ อ, อาหารใหม่ตั้งบนศีรษะกระพาะ อ, อาหารเก่ารองนั่งทนทุกขเวทนาอยู่ในคันในท่อ อยู่ในกองอุจจาละปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองโซโครปฏิกูลไปไหนมาไหนด้วยตนเองไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ในขับโพธรทเก้าเดือนสิบเดือน จึงคลอดจึงเกิดออกมาเมื่อเกิดออกมาทีแรกก็เปื่นเปิดเลอะเทอะด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยกินขาวโสโครกปฏิกูลโลกประขันร่างกายนี้จงพากันกำหนดพิจารณาชาติความเกิด นี่ทุกอย่างไรให้ดูมาตั้งแต่เป็นธาดน้ำเมื่อเป็นธาดน้ำแล้วธาตุไฟเผาให้เป็นก้อนเป็นหน่วยแตกปันจากห้าแหงขาสองแขนสองศีสันหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณ จิตใจก็มาอาศัยอยู่ในธาตุนี้ตั้งจะอยู่ในท้องในคันมันดาไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้ววิ่งเข้ามาอยู่จิตใจของคนเราทุกคนนี้มาเกิดมายึดเอาถือเอาตั้งจะอยู่ในท้องในคันมันดา มีความทุกข์ทรมานมากมายเหลือที่จะกลคารนาจึงได้ก้อนกรรมฐานที่นั่งภาวนาอยู่นี้ในก้อนกรรมฐานนี้มีอาการสามสิบสองมีอาการนับได้สามสิบสองอย่าง ได้แก่เกสาผมอยู่บนศีสัต์เป็นที่ไหลออกจากเนื้อเช็นนำเลือดนำเหลืองไหลออกมาเป็นเส้นๆเกสาผมอยู่บนศีศรัต์โลมาขนอยู่ตามสารพางล่างกาย นขาเล็ดก็ไหลออกมาจากปลายมือปลายเท้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลทันตาฟันฟันเที่ยวกระดูกเกิดใหม่ฟันนี้สกรปรก เพราะว่าฝังลงไปในกระดูกขามีน้ำลายน้ำเลือด่อเลี้ยงรักษาเนื้อเอ็นยืดว้ฟันจึงต้องทำสะอาดจึงจะน่าดูถึงกระนั้นก็ยังมีลินเหม็นโสโครกปฏิกูลอยู่เยอะแยะ จงดูฟันของตัวเองให้รู้เรื่องฟันนี้ก็คือครกสากตำน้ำพิษนั่นเองเลงวลามนุษย์ยังมีชีวิตยอยู่ก็อาศัยข้างฟันบทเกี่ยวอาหารการกินเพราะชีวิตของคนเรานั่นตั้งโยได้ด้วยอาหาร สัพเทสตาอาหารแลทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้ายังกินอาหารได้อยู่ก็มีชีวิตถ้ากินอาหารไม่ได้ชีวิตก็ดับลงไปที่เลือกว่าตายดูฟันที่เป็นครกเป็นสาก พิเนพิจารณาดูให้ดีอย่ามาหลงไหลว่าฟันสวยฟันงามน่ารักให้พอใจฟันนี้ตายเมื่อใดก็ทิ้งเมื่อนั้นไปโลกหน้าเอาฟันไปไม่ได้จงพิเนติจารณาให้เห็นแจ้งเห็นชอบด้วยปัญญา อันยิ่งว่ามันมีความโสโครกปฏิกูลขนาดไหนลำบากลำบนด้วยการเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าคนที่เกิดหลายสิ ก, กีไปฟันนี้ก็จะหลุดออกมาเป็นซี่สี่ก่อนฟันซี่เนินจะหลุดนั้นมันต้องเจ็บปวดทุกขเวทนา ไม่ใช่ว่ามันหลุดออกมาง่ายๆเจ็บอยู่นับครั้งไม่ได้จึงจะหลุดออกมาแต่ละชีละชีทั้งโสโครกปฏิกูลทั้งจิตปูดทุกขเวทนาในฝันนี้ทั้งโสโครกปฏิกูลไม่น่าเลยจะมานินดีพอใจโยกับฝัน จงพินิษพิจารณาดูให้เห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามล่อคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดกาลชีวิตที่เป็นอยู่นี้น้อยที่สุดเพราะไม่ถึงร้อยปี เกิดมานี่โดยความลำบากแต่อายุสั้นพลันตายเป็นส่วนมากคนจะถึงร้อยปีเลยปีนี่น้อยถ้าถึงขั้นอายุแก่ชราก็เป็นการลำบากกินคนเดียวไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงฉีกเหมือนคนยังเด็กยังหนุ่มก็ไม่ได้ ลุกทีหนึ่งก็ล้องโอยจะนั่งทีหนึ่งก็ล่องโอยล่องขาแสดงความทุกขเวทนาในสังขารร่างกายอันเป็นกองทุกข์ก่อนทุกข์อันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตักไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาลาความแก่เป็นทุกข์พยาิความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์ความพลดพลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ใหญ่สิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ สาริละร่างกายนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือแพขี่ข้ามน้ำคนจะข้ามน้ำไปได้ก็มีเรือแพถ้าไม่มีเรือแพก็จมน้ำตายหมายถึงข้ามน้ำภายนอกสาริละร่างกาย ที่เราได้สมมุติว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเด็กหนุ่มแก่นักโบสถ์นักบ้านอันนี้เป็นเรือแต่เรือโบราณสมัยเก่ากับเรือสมัยนี้มันต่างกันสมัยนี้เขาเอาเหล็กเขาโลหะต่างๆมาทําเป็นเรือใหญ่เรือเล็กมีเครื่องยนต์ติดกลไกลพาไปได้ แต่เรือโบลมโบราณจริงๆนั้นเรียกว่าไม้ตะเคียนต้นใหญ่ๆตัดต้นสิินปลายมาเจาะมาแต่งมาทำเป็นเรือพายเรือถ่อไปได้อัตภาพร่างกายของคนเราดูให้ดีมันก็เหมือนเรือธรรมดาเรือนั้นมีไม่ถอ่อไม่พายจึงไปได้ ตัวคนเราก็มีแขนสองข้างเป็นถอ่อเป็นไม้พายจึงไปได้มีเท้ามีมือมีเท้ามีตามีหูมีอะไรทุกส่วนครบถ้วนชีวิตของคนเราจึงยืนเดินนั่งนอนไปมาได้ทำบาปทำบุญได้จงพิติจารณาดูทำกรรมฐาน มันมีอยู่ในร่างกายสังขารของคนเราทุกคนจงอ่านดูเจสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฝันตาโจหนังหนังหุ้มตัวหนังหุ้มกดกระดูกหนังหุ้มเนื้อหุ้มเอ็นไว้หนังนี่เหมือนใบไม้ใบตอง เหมือนถุงยางปลาสติกหอหอเลือดหอเลือไว้ถ้าไม่มีหนังหุ้มไม่มียางพลาสติกหนังเนื้หุ้มคนเราก็ตายถ้าเกิดมีอะไรมาถูกต้องตาเข้าไปเลือดไหลไม่หยุดชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็บรรลัยลงไปเรียก ว, ว่าอยู่ด้วยความลำบาก ต้องภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสลาครโทศโมหะก่อนก่อนชีวิตของเราจะแตกดับไปทำให่อย่างนั้นชีวิตแตกดับแล้วจะเอาอะไรไม่ได้ในสาลีละร่างกายเรือลำนี้มีสมบัติพัสถานมากมาย ถ้าว่าคังก็เป็นคังสมบัติมหาศาลถ้าผู้ภาวนาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในกองทุกกองภัยอัมันมีอยู่ในร่างกายสังขารจิตใจนี้มีทั้งดีและชั่วถ้าหาว่าพาตัวไปทำบาปทำบาปทางกายทางวาจา คิดบาปทางใจก็จะได้รับทุกข์ทางปัจจุบันและอาจอนาคตตกาลถ้าพาเราเล่าพาทำบุญไหว้พระสวดมนต์สะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็จะได้รับความสุขความเย็น กายวาจาก็จะมีความสุขได้แก่รักษาศีลรักษาศีลก็เกอว่าศีลห้าประการเป็นต้นของศีลเป็นหลักของศีลพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์ไม่ได้หมายแค่สัตว์สิ่งดีละานหมายทั่วไป มนุษย์คนเราก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์สนิดชนิดหนึ่งแล้วเป็นสัตว์เมืองสัตว์บ้านเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์อย่างอื่นในโลกมนุษย์นี้เขาจึงให้ชื่อว่ามนุษย์สโลกมนุษย์เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์จัดแจง แบงปันแผ่นดินเป็นส่วนๆให้ชื่อว่าประเทศไทยประเทศนั้นประเทศนี้ก็มนุษย์นั่นแหละมันรู้จักจัดแจงแผ่นดินเมื่อคนกลุ่มไหนพวกใดได้แผ่นดินส่วนไหนก็ปรับปรุงแผ่นดินของตัวเองเป็นที่อยู่อาศัย วุ่นวายเดือดร้อนจนถึงแย่งชิงแผ่นดินกันแย่งอากาศกันแย่งน้ำแย่งไฟแย่งลมกันจนถึงฆ่าฟันลันแทงกันนับตั้งแต่ส่วนย่อยบุคคลต่อบุคคลรวมไปถึงในประเทศก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโต หรือประเทศต่อประเทศก็แย่งชิงกันขัดแย่งกันรวมกันเข้าก็แล้วว่าทั้งโลกแบ่งครึ่งโลกจึงให้ชื่อว่าสงครามโลกขั้งที่หนึ่งสงครามโลกขั้งที่สองสงครามโลกขั้งที่สามย่าได้มีถ้ามีมันเดือดร้อนสงครามหรือการเดือดเดียนกัดเกิดขึ้นนั้น มันเกิดขึ้นจากคนเราไม่บำเพ็ญทานคนเราไม่รักษาศีลห้าศีลแไม่รักษาศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดเป็นแต่เล็ดเหลือกว่านั้นเมื่อไม่รักษาศีลจิตใจเกียลอันนี้มันกบดีดเบียนกันโดยตรงโดยอ้อม ละเบียบทางพุทธศาสนาท่านจึงให้รักษาศีนศีนห้าประการเป็นต้นศีลได้แก่ให้เว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุรามีัรศินห้านี้ถ้าผู้ใดล่วงเกินก็เป็นเวนเป็นกรรมเป็นเวนเป็นเจ้ากรรมนายเวนเมื่อ ล่วงสินห้าเวนภัยมันก็เกิดมีขึ้นถ้าไม่ภาวนาดูให้ดีก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรฆ่าสัตสัตที่ตายคนที่ตายมันก็ไม่กลับมาต่อสู้แต่เราต้องคิดดูให้ดีกรรมที่เราทำบาปไว้บาปนั้นแหละให้ผลน คนเราที่เกิดมาในโลกนี้จึงมีความสุขสบายใจนีทรัพย์ินเงินทองผิดกันการอยู่การกินการไปการมามีสมบัติพัสดฐานต่างๆกันก็มาจากบุญบาต ท, ที่คนเราทำไว้ทางนั้นและไม่ไงไม่ใช่คนอื่นทำให้มันเป็นเรื่องของตัวเอง คนใดได้รับบาปได้รับทุกข์ว่าทําไมหนอข้าปเจ้าจึงมีแต่เรื่องทุกมีแต่ความทุกขอยากได้ครับฉิงเงินทองมากมายก็ไม่ได้มันที่ได้มันก็น้อยนึงนิดหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะไปติไม่ได้มันเป็นการเกิดขึ้นด้วยบุญบาปที่ตัวกระทาไว้ทางนั้นคนทําบุญ หมายถึงคนทำดีทำดีทางกายพูดดีทางวาจาคิดดีทางจิตเรียกว่าเมตตาภาวนาพุโทโธอยู่ในใจผลมันก็สะท่อนย้อนไปในทางดีถ้าหาก ว, ว่ากายวาจาจิตทำบาปบาปที่เขาทำนั่นแหละมันก็ย้อนเข้ามาให้ได้รับความทุกข์ทรมาน บางคนยังไม่ตายธรรมดาอยู่บ้านเดือนมีอิสระเสรีก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่ในคุกในตารางในเรือนจำเพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมชั่วตัวกระทรทมบาปยังเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุการณ์ต่างๆ บาปนั้นก็ให้ผลทําตาให้จิตคุกจิตตลางอยู่เรือนจำถูกกับกันไม่ให้มีอิสระเสรีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจทำไมเราจึงมาอยู่ในคุกในตลางจะไปติว่าเป็นเพราะอย่างอื่นไม่ได้ ก็ตัวเราเองกายวาจาจิตของเราทำบาปจึงได้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นอันนี้มันบาปในโลกมนุษย์นี่แหละแล้วก็ยังมีบาปมีทุกข์ในนรกอาเวจีในเปรตอสุรกายต่อไปอีกจึงให้พากันตั้งใจให้มั่นคง ดูความสุขความทุกข์ของตัวเองที่ได้รับผลอยู่มันมาจากบุญและบาปดีชั่วตัวกระทาทางนั้นแต่มองไม่เห็นมักจะคิดตีโพยตีภายว่าเป็นเพราะโน้นเป็นเพราะนี้บางคนเกิดมาได้รูปร่างกายตัวตนมาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก้า แล้วก็เข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ให้สมบัติอะไรแก่ตัวทั้งๆ ท, ที่เรามีมือมีเท้ามีตัวมีกายมีจิตว่าพ่อแม่ไม่ให้สมบัติสมบัติมันมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้จักรักษาสมบัติอันมีอยู่ในตัวไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่รักษาศีลภาวนา ไม่ทำบุญสุนทานไม่ประกอบคุณงามความดีทำบาปพูดบาปคิดบาปบาปมันก็ให้ผลให้ผลข้างภายในให้ผลข้างภายนอกแต่ว่าถ้าบาปมันแก่เกินไปเป็นคนใบ้เป็นคนบ้าโลกประสา ไบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์หูหนวกตาบอดจมูกแหวงปากแหว่งร่างกายวีกลมมีการเท้าด้วนแข้งด้วนขาด้วนมือด้วนแขนด้วนด้วนทั้งสองข้างหามือจับอาหารกินก็ไม่ได้ มีแต่ตปากบางคนก็ตาบอดข้างหนึ่งบ้างบอดสองข้างบ้างหูหนวกหูตึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องนอกจากหนวกตึงแล้วยังรมอันนั้นมันตัดหูทิ้งคิดไม่ให้มีหูนี่แหละคือมันแสดง กรรมที่ตัวเราเองทํำทางนั้นจะไปติว่า <c oughs> เป็นเพราะคนโน่นคนนี่ทําให้ไม่ได้ดูองค์ระ菩าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านทําบุญให้ทานการทําบุญให้ทานของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ ท่านก็ทำมาให้ทำบุญให้ทานให้ทานเรียกว่าถ้าคิดคำนวณทั้งหมดแล้วเรียกว่าเหลือเหลือโลกเหลือแผ่นดินจึงมาปรากฏให้เราทุกคนเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสลู่ในโลกคือพระองค์บำเพ็ญบารมีบา ร, ม, บารมีที่พระองค์ บาเพ็ญหรือผู้ที่จะไปสู่นิพพานบำเพ็ญ น, นั้นเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลหรือที่จะคราณานับลักก็มีอยู่ว่าให้รู้จักการทำบุญให้ทานรู้จักแบ่งปันรู้จักแจกจ่ายไม่ยึดไว้ถือไวแ้แรกว่าทานบารมี อย่างต่ําอย่างกลางอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาศีลอย่างต่ําอย่างกลางอย่างสูงสุดเนธคัมบาลามีรักษาศีลอุบาต อ, อุโบสถหรือรักษาศีลแปดอันนี้ก็เป็นบาลามีอันสําคัญ พระพุทธเจ้าพระอเลียเจ้าท่านผู้ล่วงค้นทุกไปแล้วท่านํำเป็นมาเต็มบริบูรณ์ปัญญาบาลีการฝึกสมาธิภาวนาทาคุณงามความดีต่างๆฝึกจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นปัญญาวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทรานองคลองธรรม จึงจะบังเกิดมีขึ้นในตัวในใจนั่นกระพุท ธ, ธเจ้ากาอาริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาอุบาสกอุบ า, าสิกาศรัทธาชาวบา้านสมัยขัางพุทธกาลท่านบำเพ็ญมาดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดวิริยบาลเมหมายถึงความภาคความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็ง ไม่ทอแท้อ่อนแอเรียกว่าวิริยะบาลมีขันตีบาลมีมีความบดทนสัจจะบาลมีมีความสัจความจริงทำพูดคิดอะไรก็มีความสัจความจริงอธิฐานบาลมีเรียกว่าตั้งจิตอธิฐานทําอะไรทําพูดคิดอะไรต้องอยู่ในในฐานที่ที่ดีเรียกว่า สัจจะอธิฐานใจไม่ให้จิตใจวุ่นวายไปทําอะไรให้มีหลักมีฐานนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาก็ต้องอธิฐานใจจะบําเพ็ญบุญกุศลอันใดต้องมีสัจจะอธิฐานถ้าไม่มีสัจจะอธิฐาน ทำอะไรไม่ลุล่วงไปได้มันพังทลายเสียก่อนันั้นสัจาะอธิฐานนี้เหมือนกับว่าเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำใหญ่ๆสมัยนี้มันเกิดประโยชน์มากมายหลายอย่างหลายประการได้น้ำกักกันน้าไว้ใช้กัน้นไว้เกิดประโยชน์ ทำไร่ทำนาทำสวนอะไรก็อาศัยน้าเขื่อนใหญ่ๆจึงเป็นที่ให้ความสุขแก่มนุษย์ถ้าคนเรากั้นใจของตัวเองให้ประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปโละทิ้งไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดไวไดัยใด จะต้องดูใจของตัวเองว่าได้บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าหรื อ, อยังถ้ายัางก็ให้เลขกตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญโดยย่อก็คือว่าทานศีลภาวนาทัจจะอธิฐานเมตตาธรรมดาใจคนเหล่านั้นมันมีความโกรธความไม่พอใจคนอื่นทำอะไรไม่ถูก ใจของตัวเองก็โกรธคนอื่นพูดอะไรไม่ถูกกับจิตใจของตนก็โกรธคนอื่นคิดอะไรไม่ถูกกับจิตใจของตัวเองก็มีแต่ความโกรธมีแต่โมโหโโธโซคือไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาวนาดูให้ดีเมื่อดูไม่ดีมันก็เข้าใจผิดคิดหลงไป มองไม่เห็นลูกไม่เท่าไม่ทันมันก็เกิดโมโหโทโสฟุ่งสาลำขาดถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วไม่ต้องไปติคนอื่นติตัวเราเองว่าทานศีลภาวนาของเราไม่คล้อมไม่บริบูรณ์จึงได้เวียนมาเกิด เกิดมาในภพใดในชาติใดมันก็มีความทุกข์ในภพนั้นชาตินั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ก็จะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่เพียนละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเบาใบาเบาบางไปอย่ามาท่อแท้อ่อนแอะว่าทำไม่ได้ปฏบิบัติไม่ได้ อันนี้แล้วว่าความคิดตื้นความคิดสั้นอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้ามนุษย์จะเอาแล้วมันได้ทางนั้นดูในสมัยก่อนและสมัยนี้สิ่งที่เราคิดว่าสมัยเก่าแก่โบราณไปไม่ได้ทำไม่ได้สมัยนี้เขาไปได้อย่างโลกง่ายๆโลกแพจัน เราเห็นแต่พจานวันเพนวันขึ้นวันแรมสมัยนี้เขาไปได้อาวากาศซึ่งยากที่จะไปได้เขาก็ไปได้สิ่งเหล่านี้แหละเราคิดให้ดีภาวนาดูให้ดีที่เราว่าทำไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้ รักษาศีลห้าก็ไม่ได้รักษาศีลแปดก็ไม่ไหวรักษาศีลสิบเป็นสามมันเนนก็ไม่ไหวรักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็ไม่ไหวทําไม่ได้การรักษาศีลภาวนามันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้แล้ ว, ว่าความเห็นผิด ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรเราก็ต้องบำเพ็ญไปสิ่งใดที่เราวัดยากหรือวิสัยนั่นคือว่าเราไม่ตั้งความเพียรลงไปถ้าเรามีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วสิ่งใดที่เราวัดยากไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ง่ายขึ้น เพราะเราตั้งความเพียรลงไปในพุทธภาสิทิข้อหนึ่งพระองค์พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่าวิริเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเมื่อคนเรามีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ทอแท้อ่อนแอในดวงใจแล้วกิจกรรมทุกอย่าง ทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมสําเร็จลุล่วงไปได้แต่ต้องขึ้นด้วยมีความเพียรความหมั่นขยันมีความอดความทนเมื่อบุคคลใดมีความเพียรมีความอดทนมีปัญญาไม่ว่ากิจกรรมการงานทางโลกก็สาเร็จกิจกรรมการงานทางธรรม รักษาศีลภาวนาสับรับฟังพระรามคำสั่งสอนทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปก็ย่อมเป็นไปได้ถ้ามีความเพียรฉะนั้นท่านจึงทรงตัสว่าวิริเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร เมื่อมีความเพียนความหมั่นความขยันไม่ท่อแทอ่อนแอในดวงใจแล้วสำเร็จได้ทุกคนทุกทวนณาไม่เลือกว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายครืดขัดแบัรพะิตถ้ามีความเพียนอยู่ในหัวใจกายวาจาจิตมันก็เพียนไปได้แพรนั้นยาได้มีความท่อแทอ่อนแอในดวงใจ ให้จิตใจของเราตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสมานสังขารมานต่างๆเอาให้ได้ชัยชนะพระพุท ธ, ธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ชัยชนะตัดกิเลสความโกรธขาดเด็ดลงไปตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจขาดเด็ดลงไป ตกิเลดความหลงละกิเลสความหลงความมืด อ, ออกไปได้หมดสิ้นเพราะท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันท่านมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอิจึงทํางานขั้นละเอียดขั้นสูงสุดจนถึงขั้นหลุดพ้นไปได้เราทุกคน ที่ยังมีชีวิตยอยู่ในโลกก็ยังมีความท้อแท้อ่อนแอตราบใดที่ยังมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจเข้าอยู่มีลมหายใจออกอยู่ท่านจึงสอนให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่เนืองนิดติดต่อกันไป จนจิตใจนี้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจิตใจดวงนี้ละ่ะจะเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอานานขึ้นมาสิ่งที่เราว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้ถ้าจิตภาวนาให้มั่นคงแ้วมันเลิกได้ละได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าทำไมท่านเลิกได้ละได้ ทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับคนเราสติปัญญาท่านเอามาจากไหนท่านก็เอามาจากทานชินภาวนานั่นแหละไม่ได้เอามาจากที่อื่นเอามาจากกายวาจาจิตของท่านพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเอาสติปัญญามาจากไหนท่านก็เอามาจากกายวาจาจิตของท่าน แม่พวกเราทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกในวัตาสงสารสติปัญญาจะเอามาที่ไหนก็เอามาจากกายวาจาจิตเอามาจากการรักษาศีลภาวนาเอามาจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เองแล้วก็ให้เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี้อยู่ที่ไหนไปไหนก็ตาม อันการไปมาของโลกปัขันเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนจิตใจเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอยู่ในเพศใจวัยใดก็ตามตั้งใจบำเพ็ญลงไปพุทธโธเป็นที่พึ่งในใจพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา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 ตราบใดที่ยังท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในฐานศีลภาวนานี่แหละจะเป็นสถานที่ปูพื้นฐานไม่ว่าจะเกิดในที่ใดสถานใดก็าตามเมื่อบุญกุศลมีโยในตัวในใจของเราแล้วโลกนี้ก็มีความสุข โลกหน้ายังมาเกิดมาตายอีกก็มีความสุขผู้ใดต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์จึงให้พากันรักษาฉีนจเจริญสมาธิภาวนายาได้ประมาทให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภายในพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษ ละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานด้วยพระองค์เองแล้วให้เราทุกคนทุกดวงใจจงตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วาละนีเป็นต้นไปเราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะ อยู่ที่ไหนไปที่ไหนใจเราให้ตั้งคําว่าตั้งคือมีสติระลึกอยู่มีสมาธิจิตตั้งมัน่นทําอะไรถ้ามีความตั้งมัน่นไม่งอนแงน่นคลอนแขนแล้วย่อมเป็นผลคือความสุข ก, กายสุขใจของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นทําให้มันเป็นเรื่องของเราเองปฏิบัติเองทําเอง มีความอดความทนมีความตั้งมัตตในธรรมปฏิบัติไม่ต้องไหว้ขอจากผู้อื่นไม่ต้องให้ผู้อื่นทํานายว่าข้าพเจ้าจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งปณิพานในชาตินี้ไหมไปถามคนอื่นก็เท่านั้นแหละเมื่อเราต้องการเราต้องการความพ้นทุกข์ก็ให้ตั้งใจบําเพ็ญ กองการกุศลของตนให้ตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติภาวนายังจิตใจให้สงบระงับอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่สาคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราแต่และดวงจิตดวงใจนี่เองเมื่อจิตใจดวงนี้มีความตั้งมั่น มีความสงบระ ง, งับเยือกเย็นก่อนจะหลับจะนอนทุกๆคืนก็กราบพระไหว้พร ะ, จะเจริญสมณธรรมยังจิตใจของตนให้มีความสุขให้มีความเย็นให้มีความสบายไม่ต้องวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสธรรมดาอำนาจกิเลสไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลง มันเป็นมารคอยล้างฐานทำลายบุญกุศลทำลายจิตใจที่ดีของเราเราอย่าได้ทำตามอย่าได้พูดไปตามความโกรธอย่าได้ทำไปตามความโลภอย่าได้ทำไปตามความหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เตือนใจของเราอยู่เสมอว่า มรัะเมภาวิชิติเราต้องตายภายในร้อยปีนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนหน้าไหนที่จะเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีในโลกดังแสดงมาก็สมกวนด้วยกาละเวลาเยวังก็มีด้วยประการละชนี้ถึงมันก็มาจากโลก รินมันก็นมาจากรูปลบต่อทัพระธรรมรมมันก็นมาจากรูปรูปประคันนี่แหละพระองค์สอนไว้ให้กำหนดว่าให้พิจารณาลงโตหลักอาสุภกรรมฐานนั่นหลักหนึ่งคำว่าอาสุภกรรมฐานในร่างกายนี้ทุกส่วน มันไม่ใช่ของสวยของงามเป็นก้อนอสุขะคือไม่งามแต่คนเราไปเห็นว่าอาจมที่คนเราไปถ่ายเทไว้ข้างถนนว่านั่นเป็นของโสโคกปติกุณเป็นอสุขะไม่งามเราหาโลไม่ว่าที่คนไปถ่ายไว้ข้างถนนว่าไม่สวยไม่งาม มีกลิ่นเหม็นนั้นมันออกไปจากไหนก็ออกไปจา ก, กรูปกรรมฐนของคนเรานั่นเองตัวอสุภกรรมฐานก็คือว่าก้อนร่างกายของคนเราทุกคนกราบใดจิตเรายังเข้าใจเห็นว่าเป็นของสวยของงามนั่นแหละว่ากรรมฐานไม่มีอสุภกรรมฐานไม่มี อจุพระกรรมฐานเมก็คือมองทะรุปก่องในร่างกายสังขารของตัวเองทุกส่วนจนจิตใจไม่มีความยินดีในรูปในเสียงในสิ่งในรสพอพทระธรรมลมอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองนี่เลยเมื่อเห็นแจ้งกิงนนี่ภายนอกมันก็แจ้งภายนอกมันก็ไม่หลง แต่เมื่อไม่เห็นตัวเราเองเราก็เอาทั้งนอกมันก็ลหลงไหลไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติมันลหลงไหลเมื่อมันหลงแล้วมันก็ไหลไปคำว่าไหลคือมันเลื่อนไปหลงไปต้องรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายใน ภายในต้องเห็นกายนี้เต็มไปด้วยก่อนอสุภะของไม่งามหรือว่าในตัวคนเรานี่แยกว่าทวารทางเจ้าทวานทางเาก้าก็เื่าวันเป็นบาทเป็นแฉ่ตั้งเก้าเก้าแหงเก้าที่ตาสองข้างหูสองข้างเป็นบาทแฉ่ กระโกสองกอะก็เป็นบาทแผลปากขวานหนักาวานเบาเน่ก็คือว่าเป็นบาทเป็นแผลในร่างกายมันแสดงถึงอสุภาพธรรม เวลาอาหารฐานเล่นเข้ามาทงตาดเราก็ขาดสติสำสัญญาไม่พิกรณาหลงไหลในรสอาหารการบริโภคไม่ได้นึกกิกรณาให้ดีว่าเมื่อโยภายนอกก็สมมติว่าสวยว่างานตกแต่งเขีด้ดดี ใส่ถ้วยใส่ตามใส่บาทเวลาบริพกเข้ามาในปากในเด้นผสมน้ำลายคลายออกมาดูเป็นยางไรก็เหมือนกันลากหมาเหมือนลากเหมือนเป็นของฏิกกูไม่น่าดูเต็งเราในก็ตจองให้กำหนดให้รู้ว่าร่างกายของคนเรามีบากแถลอยู่เต็มตัว ถ้าเราดูสภาพที่มันเป็นมันเคยแล้วมันไม่รู้ถ้าครว่าเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาใหม่เหมือนคนที่เป็นบาดเป็นแผลเป็นที่แข้งก็ดีเป็นริงมือที่ร่างกายตรงไหนก็เห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีพยาแ่ก้ไม่หายไม่สวยแน่นอนแต่เมื่อเราเห็น อาญาตนะทั้งหลายซึ่งเป็นบาทแหลตามธรรมชาติก็ไม่ได้ะะคิดไม่ได้นึกไม่ได้ทิจเจรณาจิตมันก็กำเลิกเสด็จานหลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสรสทัะธรรมอารมเพราะไม่เห็นก่อนอสุภกระมาฐานฮันตัวเองหลงมายึดเอาถือเอาตั้งใจโยในคันมารดาในท้องแน่ เกิดมาแล้วก็มายึดยึดตั้งแต่ในท้องแน่เกิดม า, ตมากมาตัวกูของกูตัวเราของเราทั้งๆที่ร่างกายสังขารเขาไม่รู้อะไรเจ็บนั่นแหละมันเป็นของผู้หลงเจ็บผู้หลงไม่รู้แจ้งในเจ็บจึงได้วกเยียนมาเกิดแก่เจะตายวุ่นวายอยู่ในลูกนามใจใจนี้ ตั้งแต่เป็นสัตว์มาจนถึงเป็นคนเป็นความตั้งไปเกิดจนแก่ชราเมื่ความทุกข์ยากลาบากลำสารมากมายหลายอยา่างกว่าจะถึงซึ่งความตายนั้นเร็วละของทุกโรคเป็นทุกงามเป็นทุกกายเป็นทุกใจเป็นทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมากวบบนวาย หัวมันแตกหัวมันตายตาก็พค่เจ็บมันหลงไม่ภาวนาดูให้แน่นอนว่าใครจะเป็นคนมาเยียวยาพยาบาลไม่ให้ร่างกายสังขารมันแก่มีที่ไหนได้หรือถ้ามีการเยียวยาพยาบาลไม่ให้แก่ได้เจ็บก็คงละแก้ได้ตายก็คงแก้ได้เพียงแก้ไขไม่ให้แก่ทลาก็ไม่ได้ ไม่ให้เป็นิึงติกูลโสโครกตรงไหนดนแล้วจะไปแก้มันได้ยังไงแก้ผมไม่ให้งอกหมันดำเลือดไปได้ไหมแก้ฟันแก้เขี่ยวในปากไม่ให้มันหลุดมันหล่อนไม่ให้มันเจ็บป ว, วดได้ไหมแล้วก็ให้มันอยู่ตลอดโน่น ون, อายุร้อยปีก็ไม่ให้หลุดไม่ให้หล่นไม่ได้ เมื่อไม่ได้ก็ต้องกันดุดที่แกลนนาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญา ก, ก็ปล่อยวางในหลงไหลในฟันในเที่ยวของคนอื่นในปากในฟันนั้นไม่ใช่สวยงามถ้าเราเอามือไปถูฟันของตัวเองนั่นแหละเ้วเอามาดมดูดิมันจะหอมหรือมันจะเหม็น บางคนนั่นไปนั่งไกลกันห่างวาสองวามีกินปากกินเหน้นออกมาให้ปอดนี่และคือร่างกายสังขารของคนเราตัวเราทุกคนนั่นแหละเป็นก้อนอสุภะธรรมทานเป็นพระธรรมคำสอนของสะพธิจาแต่ถ้าเราไม่สังรอนระวังจิตใจก่อยปากละเลยทาดลก สิน 5, ส้นห้าสิ 10, 20, 27, แ้แปสิ้สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราก็โลเลไปหมะหลงไหลตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แกจจ่จนตายตายแล้วก็หลงไหลต่อมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นโลกเราเ น, นั้นไม่ใช่มีของใหม่ของเก่าสิงอันเก่านั่นเองแปลว่าเมื่อจิตเราหลงนี่ยมันก็หลงไปอย่างมัวเมาไปอย่าง การปฏิบัติบูทานั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ดวงธรรมหรือว่าดวงใจที่รู้จักว่าร่างกายสังขารของตัวเองเต็มไปด้วยของไม่งดเนื้ร่างกายคนอื่นมันก็เหมือนกันเนืเรื่องเหล่านี้มันจะไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงให้ใจหลง กพราะมันเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเขาทํำยังไงก็เผาไฟทิ้งฝังดินทิ้งเขาไม่เอาไว้หรอกเพราะมันเป็นของปฏิกูของเน้นไม่ใช่ของหอมแม้จะเอาดอกไม้มาประดับประดาให้มันหอมมันก็เท่านั้นแตหอมดอกไม้มันไม่ใช่หอมร่างกายก่อนสุภะนี้ก่อนอสุภะ น, อ น, อ น, อ น, อนี้มันไม่มีหอม ถ้าผู้สังเกตให้ดีคนเราที่เขาตายไปตัวเรายังไม่ตายไม่ค่อยรู้คนอื่นเขาตายเมื่อใดเวลาใดถ้าเราได้ไปดูสอบคนที่ตายพอเข้าไปใกล้ได้ระยะเท่านั้นมันจะส่งกลิ่นพุ้งกระจร อ, ออกมา วันร่างากายที่แตกดับตายไปไม่ใช่เป็นของมั่นคงและไม่ใช่ของสมเป็นพระสุภาธรรมฐ า, านจะรู้ได้เข้าใจจิตต้องตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นมันไม่ไม่เห็นมันเห็นไปอีกอย่างจึงเรียกว่าเห็นไปตามความหลงความในรูป แนาว่าพ่อไม่ภาวานาไม่พิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองเกิดมาหลายสิบตีก็ไปในนึกคิดมาในทางที่จะกำหนดพิจารณ า, าให้เห็นนี่จะปลอยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามที่เหลววันย่างค่ำคืนย่างลงุกกระวมกระวายในใจอยู่ตลอดเอลยล เวลาภาวานาเวลาฟังธรรมจึงเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องตั้งใจขึ้นมาลุกขึ้นในใจฟังในใจทำในใจละในใจกระหัสประหารฝากฟังกิเลสในหัวใจของตนให้ได้อย่ามาเย็บมาถือเพียงแต่ว่าตัวกูตัวเราของเราเท่านี้ไม่พอ ตัวเราที่ไหนบอกไม่ให้มันแก่ได้หรือบอกไม่ให้มันเจ็บได้ไหมบอกไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้จะมาเย็ดถือทำไมมันเจ็บจะเจ็บเรื่องของฆ่าขันเขาต้องเจ็บอย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นตัวก็ต้องเจ็บอย่างที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยกันนี่แหละพราโพสติการสอนให้ภาวนาบทใดก็าตาม เพื่อจะให้ได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาจะได้แก้ไขจิตใจของตัวเองไม่ให้มาหลงโลกหลงโลกหลงนามหลงกายหลงจิตหลงธาตุดินน้ำไฟลมไม่ให้มาหลงเงนี่ยนั่นเองแล้วก็เพื่อจะให้ไม่ให้หลงไปกับสิ่งภายนอกทั้งอย่างหยากทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียด เพื่อจะไดลักจิลรกราคะโทสะโมหะอมันนอนเนื่องอยู่ในวัใจให้หมดสิ้นไปจึงให้เชื่อว่าภาวนาในทางพุธติสนะดังแสดงมาก็ต้องกวนด้วยกาละเยลาเยวังก็มีด้วยประการละเช่นนี้แท้แสอันเดียวกันทั้งนั้นเมื่อแก้จิตไม่ให้หลงไปตามความหนาว ได้มันก็แก้ร้อนได้แอ่อะไรอะไรได้หมดนั่นแหละฮาวาเจตมันมาเยอดว่าตัวเราหนาวเราเป็นหนาวหนาวเป็นเรานั่นก็แก้ไม่ได้มันก็ยึดโยถืออยู่แล้วอารมณ์เรื่องราวอื่นๆมันก็เหมือนๆกันหมดมันกระแสะที่มันหลงนะ่ะ ไม่ภาวนาไม่ตั้งใจให้มั่นคงไม่สงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวจิตใจไม่มีภาระกำลังจิตใจมันอ่อนแอทอแท้จิตใจมันกลัวตายมันยอมนไม่ไม่ภาวนาดูให้มันแก่ในวอนธรรมต่างๆมันก็ทับผมละ่ะ ตามมาสรรยาบาทีน่ามิทะความง่วงเหาเหานอนมันก็ทับถมเขาเมื่อมันทับถมจริงที่แล้วก็ไม่รู้ไม่สิละนั่งภาวนามันก็เป็นนั่งหลักเสียไม่ใช่ภาวนามันพาวนภาวนพาให้หลงเมื่อกระทบเหตุการณ์ต่างๆโลก เสียงกินรสพอตระพะธรรมอาลมสระทบเข้ามาเอาละคิดแลวมันปั่นป่วนแต่แล้วเป็นทุกข์แต่แล้ววุ่นวายแต่แล้วนี่คือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบต้องตื่นตัวลุกขึ้นปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปยอม อย่าไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสลาภตัณหาไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลส